ขอความสุขความเจริญสุมเยียดท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาริตาลยศรีปทุมในวันนี้จะได้พูดเรื่องนชีรติสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยสิ่งซึ่งไม่ชราก็เป็นคำกราบทูลถามของเทวดาอีกเช่นเคยคือเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ระเชตตะวัน พยายามเชี่ยงคื น, นเจวดาตัวหนึ่งได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจา้าแล้วก็กราบทูลถามว่าอะไรหนอย่อมสุดโศมอะไรหนอย่อมไม่สุดโศมอะไรหนเรียกว่าทางผิดอะไรหนอเป็นอันตรายแห่งธรรมอะไรหนสิ้นไปตามคืนและวันอะไรหนเป็นมนชินของพรหมจรรันทร์ อะไรไม่ใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชาระล้างในโรคนี้มีช่องกี่ช่องที่จิตตั้งอยู่ไม่ได้คาปรงมาทูลถามพระผู้มีพระภาคจะไหนคาปรุงจะรู้ความข้อนั้นได้รเราเห็นว่าประเด็นที่เทวดาถามนั้นมีหลายประเด็นเป็นการถามในลักษณะที่เรียกว่าต้องการจะรู้ การถามปัญหาของคนที่จริงก็มีหลายลักษณะถามต้องการจะรู้ความจริงในเรื่องนั้นๆต้องการถามจะเทียบเคียงกับความรู้ความเข้าใจของตนเองต้องการถามเพื่อขออนุมัติคือเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต้องการถามในลักษณะชี มุ่งดุหมินผู้ที่ตนถามแต่ก็ต้องการถามด้วยจิตคิดนุคราบคือถามเพื่อจะตอบเองเรื่อลักษณะของปัญหาที่เราเจอมาในพระสูตรต่างๆโดยเชนว่าก็มีลักษณะแตกต่างกันออกไปโดยเจตนารมณ์แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะต้องการทราบ หรือต้องการเจีบเคียงกับความเข้าใจของตนเองประเด็นของคําถามในลนักษณะนี้คล้ายๆกับที่อาเรากะยักษ์กราบทูลถามพระพุทธเจ้ายาวมากคือท่านท่องมาเป็นอักยานเลยเออเป็นฉันทะลักถามมาเป็นฉันทลักษณพระเจ้าก็รับสั่งตอบเป็นฉันทลักษณ์ซึ่งโอกาสหนึ่งก็อาจจะนําเรื่อง เ่านี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าเป็นธรรมะที่อยู่ในวิถีชีวิตของมนุษย์เราประเด็นแรกที่ท่านถามว่าอะไรนอยย่อมสุดโสมไปรับสั่งว่ารูปของสัตว์ทั้งหลายย่อมสุดโสมไปก็หมายความมาสังขารร่างกายพูดจริงๆเนียคือประเด็นสาคัญว่าคำว่ารูป คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดลมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นแล้วก็ถูกต้องด้วยกายเนี่ยทั้งหมดมันเป็นรูปแต่ว่าในทิศนี้จริงๆก็เน้นไปที่รูปซึ่งเราสัมผัสได้ด้วยตาพอสามารถดูความเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาที่รวดเร็วแล้วก็รูปอะไรก็ตามเราจะเห็นว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดบางครั้งก็เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ก็จริงๆก็ไม่ใช่บางครั้งหรอกแต่ว่าคือบางที่เราก็ดูไม่ทันอย่างสังขารร่างกายของเราที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ดูบางครั้งเนี่ยก็ดูช้าหน่อยแต่รูที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสก็จะเห็นว่าเปลี่ยนแปลงได้เร็วแต่ทีนี้จะให้ชัดเจนมันก็ต้องดูรูปที่เห็นด้วยตาเนี่ย แล้วก็สิ่งเหล่านี้ที่จริงมันเป็นวิถีของสังคมเพียงแต่เราไม่มองในมุมของตรลักษณ์แต่เรามองด้วยการล่อยคว้าปรารถนาแล้วก็ยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นทั้งๆที่มันไม่ดำรงอยู่ตลอดไปคือความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องนิรันต์ความความไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่มีหรอก นอกจากเป็นพระนิพพานผลสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่าเที่ยงเนี่ยมันก็มีเฉพาะนิพพานอย่างเดียวที่เที่ยงในขณะเดียวกันนิพพานก็เป็นอนัตตาแล้วก็นิพพานก็เป็นสุขออซึ่งไปถึงจุดหนึ่งก็ไม่มีตัวตนสวยเพราะว่าไม่มีกิเลสเป็นเหตุจะยึดติดเป็นตัวตน สำหรับท่านที่เข้าถึงนิพพานแต่ว่าภาษาที่สื่อสารต้องการจะพูดจากันทำความเข้าใจกันเนี่ยเราก็ได้ยินว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังประมังสุญญยังนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งสันนติสันติประมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเป็นต้นเนี่ยแต่ยางก็ต้องการสะท้อนภาพลักของนิพพานแต่ว่า น, นิพพานนั้นมันอธิบายไม่ได้อะ เป็นเรื่องสัมผัสตรงทางใจเฉพาะตัวคนเหล่านั้นก็ถัดมงสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่เห็นว่ามันก็เรื่องเฉพาะตัวคนไม่ใช่เรื่องที่จะนำมาอธิบายให้รายละเอียดหรือชี้แจงจนเกิดความเข้าใจอย่างสมบูรณ์พอถึงจุดหนึ่ง<โ>ก็ต้องดูเองต้องฟังเองต้ดมเองต้องลิ้มเองต้องจับต้องเองเพระนิพนธ์ก็มีจะมีลักษณะอย่างนั้น ในสิ่งทั้งหลายนั้นมันจะเกิดดับอย่างต่อนเนื่องซึ่งในสติสัมปชัญญะของสามัญชนเนี่ยที่จิมก็ดูไม่ทันแต่ในพิธามพูดถึงเรื่องแสนโกรธขณะซึ่งยังไงเราก็ดูไม่ทันก็อย่างที่เคยเล่าไว้ในวันก่อนว่ามีการสร้างนาฬิกาปรมาณูกันขึ้นมา แล้วเขาสามารถแยกหนึ่งวินาทีเนี่ยเป็นแสนแสนขณะเอาควจริงเราก็ดูไม่ทันอีกนั่นแหละผมเร็วเหลือเกินแต่ที่ดีใจก็คือตรงกันหลักที่พูเจ้าทรงแสดงไว้จะถือว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นขณะที่ต่อกันทียิบแต่เรียกว่าสันดติคือมันต่อกันไปสืบเนื่องกันไป กระแสะไฟกระแสะน้ำกระแสะลมแล้วก็ชีวิตของคนเราเนี่ยที่เราดูใล้ๆมันเทียงแท้เพราะมันต่อกันไปเรื่อยเมื่อไงรูปร่างกายของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็สุดสมแต่ท่านก็ถามประเด็นต่อไปว่าอะไรหนอไม่สุดสมปจุจจะรับสั่งว่านามและโคตรย่อมไม่สุดสมไป ตรงนี้เราเอาไปยกเป็นบทที่กล่าวถึงในกรณีงานศพนี่บ่อยๆนะบที่บอกว่ารูปังชีรติมัจจานังนามันกตังนะชีรติแต่รูปร่างกายของสัตว์ทาง า, าย่อมสุดสมงไปแต่ว่าชื่อโคตก็ไม่ได้สุดสมงไปเพราะอะไรเพราะว่า มันเป็นการพูดในมิติทางศีลธรรมคือคนเราจะทำดีทำชั่วเนี่ยยังไงก็ชื่อในด้านนั้นน่ยยังปรากฏอยู่แม้ตัวเองตายไปแล้วในคนนี้สำเมร็จพระมหาสรรมณกรมพระอเรสวญยาหลงเกาะไม่ใช่กรมพระประมาณชิชชนุรด์รสงนิพน์เอาไว้ในศึกสื่กริศนาสอนน้องนะ ที่บอกว่าพฤษศปกาสอนอันคุณชรอนที่ปลดปรงโตโทนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินสีสถิทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาที่นี้ประเด็นตรงนี้พระโบราาอาจารย์ท่าน ไขข้อความว่าเมื่อการล่วงไปนานๆเนี่ยนามและโคดเนี่ยก็จะไม่ปรากฏกันแต่สภาพเป็นความชราเนี่ยมันมันไม่เห็นนะ่ะมันมาเพราเป็นนามธรรมาเราไม่เห็นจึงโคตมโคดเนี่ยเราก็ไม่เห็นว่ามันปรากฏอาการของความเปลี่ยนแปลงให้เราเห็น ชื่อนายกนายขออะไรต่างๆหรือชื่อของคนในยุคสมัยพุทธกาลเร็อก่อนพุทธกาลแล้วก็มีชื่อแล้วก็เลือนหายไปจากโลกคือคนยุคหนึ่งก็จะไม่รู้จักแต่ว่าไม่เห็นอาการของความเปลี่ยนแปลงเพราะงั้นก็เป็นการพูดกันพอเข้าใจ เป็นคำถามระดับทั่วไปนะฮะมันไม่ใช่ระดับปิปัสนาปัญญาแต่ว่าก็ต้องมองให้ถึงระดับปิปัสนาปัญญาแต่อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เราไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากเกินไปวันก่อนนีมีโยมเข้ามาเล่าถึงความเชื่อของท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่า น, นบอกว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพนะไปถึงสระบุรี บอลไกลรีบหนีก็ไปหาที่ดินเอาแต่โคราชมาก็บอกไม่ต้องยุ่งกับมันหรอกยังไงเราหนีไปไหนเราก็ตายน้ำทวบมหมาก็ตายก่อนกล้กันแล้วปัญหาต่างๆโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนเราก็ตายด้วยกันกล้กันมาด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วก็ไปด้วยกันเรารักษามันไม่หายหรอก เอเพียงแต่ประคับประคองร่างกายเอาไว้เท่านั้นเองเอข้อต่อไปเนี่ยอะไรหนอเป็นอันตรายแห่งธรรมคนนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าอ๋อท่านท่านท่านถามว่าอะไรหนอเป็นทางผิดก่อนฮะอะไรหนอเป็นทางผิดที่จริงกิเลสอนะเป็นทางผิดทางนั้นแหละเพียนแต่ว่า เทพบุตรมาถามเทพบุตรเป็นผู้ถามอันนี้ต้อ ง, ต, องต้องจับประเด็นให้ได้นะคือคือความจริงนีนเป็นสากลแต่ว่าสมหรับคนผู้ถามเนี่ยพระเจ้าก็ทรงวิเคราะห์ดูอัธยาศัยของเขาว่าเขามีปัญหาในเรื่องอะไร เกษตรบุตรก็จะมีความกำนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีอยู่กับทิพยสุขและก็เทพธิดาทั้งหลายการเพลิดเพลินกับเทพธิดามันก็เพลิดเพลินในด้านราคะทิพยสุขมันก็เป็นราคาเป็นโลภะพระก็ะสุงแสดงว่าราคะเนี่ยมันเป็นทางผิดเรียกว่าเป็นทางผิดเพราะจะมีลักษณะย้อมจิตคนให้ กำลัดเพลิดเพลินชื่ น, นชมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็นําไปสู่ปัญหาอีกอนเอกนกนันคือวันี้เป็นความจริงที่เมื่อไรก็เมื่อนั้นนี่ยมันเป็นสู่ตายตัวคือเขาเป็นสมุทัยศยัสตร์ยังไงเขาก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์ถ้าเราจะบรรเทามันได้บ้างปัญหานในเรื่องเหล่านี้ก็จะลดน้อยลง ตอนนี้เป็นเรื่องแปลกมีญาติโยมเขาไปพบแล้วก็ประรบเรื่องการแต่งตัวของเด็กวัยรุ่นในปัจจุบันโดยเฉพาะที่เป็นผู้จญิงแล้วก็บอกว่าไม่เคยสังเกตแต่ว่าคือเราไม่อยู่ในฐานะที่จะไปพูดจาอะไรได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยควรจะพูด ขอเรื่องมันเรื่องเนี่ยเป็นความยุ่งของวัยหนึ่งของเด็กในวัยหนึ่งของเด็กในยุคหนึ่งหรือถ้าเราไปจู้จี้จุกจิกก็ได้กับเธอมากมันก็คือปัญหาสําคัญว่าถ้าเธออยู่ในกลุ่มของเธอเนี่ยยังไงเราก็ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเข้าไม่ได้เสียเวลาเปล่า แต่างวังก่อนมีคนไปชวนไปออกโทรทัศน์เรื่องการเล่นการพนันหวยเบอร์ก็บอกเขาว่าไอพูดมันพูดได้แต่ว่าคนเหล่านี้เขาไม่ได้ฟังหรอกรายการธรรมะอย่างนี้นะ่ะหลายแนาที่เราพูดเนี่ยเขาดูละเมงละครไปก็ดูตลกก็รดูพวกเกมโชว์ต่างๆ ปัญหาสำคัญเนี่ยคือเราสื่อสารกับเขาไม่ได้เราไม่มีโอกาสที่จะสื่อสารคนเหล่านี้ถ้ามาพูดกันและอย่าพูดกันให้มากคือหมาคยความว่ามาคุยแล้วก็ถามแล้วก็ให้เขาตอบคืออย่าไปอธิบายอะไรเขาให้เขาตอบเราก็ถามไปเรื่อยๆเดี๋วให้เขาคิดเขาจะเลิกเขาก็เลิกเองเขาไม่เลิกทำยังไงเขาก็ไม่เลิก ตมาเคยพูดมา น, นานแล้วนะคือคือเราคลุกคลีกับสังคมมาเยอะเราพบเห็นสังคมมาเยอะก็ บ, บอกว่าคนไทยเราเนี่ยขอสักสามอย่างก่อนเถอะอาบายามุขเนี่ยขอสามอย่างคือเรื่องความไม่ค่อยขยันในการทํางานแล้วเรื่องเล่นการพ น, นันแล้วก็สิ่งเสพติดให้โทษคือปัญหาในชนบท มีเยอะนะฮะที่ที่ขาดความขยันแล้วมันเป็นกระแสสังคมคือเขาเป็นเขาอย่างนั้นเนี่ยเขาอยู่กันมาอย่างนั้นแล้วก็เวลาใครไปพูดจาอะไรเ็าโกรธนะฮะเขาเกียบร้านเนี่ยโกรธอย่างยกตัวอย่างเช่นเช่นเช่นหอยเชรี่นี่มันเป็นอันตรายต่อพวกพืชทั้งหลายเนี่ยแต่ก็มีคนรับซื้อ แล้วเขาก็เห็นแต่แต่เขาก็นั่งอยู่เฉยๆเขาก็เขาก็ไม่มีคิดจะเอาไปขายอะไรอิจเนี่ที่จริงถ้าหากว่าคนขยันเนี่ยมันจะน้อยระดับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไปได้ะนะแต่ก็ไปยากเหมือนเราจะเห็นว่าอันเนี้ยมันก็คือความขี้เกียจความเกียดครา้าญ ก็เป็นอาการของความเห็นแก่ตัวติดสุขติดสบายทำงานไรายได้แบบลอยๆเกอะเล่นหวยไปแล้วก็อยู่ในโลกของความฝันจินตนาการไปเรื่อยๆแล้วพอผิดก็ไปซื้อใหม่แล้วก็ฝันใหม่คืออยู่ในโลกของการหลอกลวงตัวเองผู้ยากนะแก้ไขยาก เพราะ ง, งั้นราคาี่เราลองสังเกตว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยใช้ราคานนำเยอะมากๆเพรา ะ, ะ น, นเราจะมีปัญหาในทางเพศเยอะแล้วก็ออกมาทางอินเทอร์เนต็ตทางอะไรโทรศัพท์มือถืออะไรที่เป็นข่าวเป็นคราวาต่างๆบางทีก็มีพระมีเนปนปนเข้าไปด้วยคือต้องฟต้องเข้าใจนะฮะพระเนมันคือคนเนี่ย อ๋อคือลูกชาวบ้านน่ะที่โบราณท่านเตือนบอกว่วพระพุทธอย่าให้ถูกอิถูกปูนว่า้พระธรรมยาให้ถูกใบลานว่ายพระสงฆ์อย่าใถูกลูกชาวบ้านเป็นสัตว์โลกระดับกามาวจรภูมิญาติพี่น้องพ่อแม่ก็มุ่งหวังที่จะนําคนเหล่านี้เข้ามาบวชอยู่ในพระศาสนาเพื่อดึงสะพานคือไม้เชื่อมต่อกับเรื่องการาคะ แต่เธอก็มีอารมณ์โลกอ่ะมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสมีแรงกระตุ้นจากอารมณ์ต่างๆเวลานี้มันมันหยุดอะไรไม่อยู่ไปแล้วแม้แต่โทรศัพท์มือถือเนี่ยเด็กบ้านนอกมีอาชีพทางทำนาพ่อแม่มีอาชีพทำนาทำสวนหรือไปจับสัตว์มันมีโทรศัพท์มือถือหมดเลยเด้กตัวเล็กๆยังมีโทรศัพท์มือถือ เราเลยก็ไม่รู้จะพูดกับเขายัางไงและแกทำยังไงเราก็ไม่รู้อ่ะผลต้องแยกให้ออกว่าถ้าเธอทำผิดก็คือเธอผิดคนเดียวเราไม่ต้องไปเดือดร้อนและไม่ต้องด่าเมาโหลเพระเดี๋ยวนี้ใช่ไม่ได้แนวเดีนี้ใช้ไม่ได้ไอเดี๋ยวนี้ก็รูปนี้มันคนละเรื่องเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่หมดโลกนะแต่รูปนี้เนี่ยรูปเดียว เพราะาไปอย่าไปเหมารวมคือโลกมันเป็นอย่างเงี้ยมันมีคนดีคนไม่ดีอยู่ตลอดแล้วก็พระพิสุทสามเณรที่บวชมาเนี่ยปฏิบัติได้ยิ่งหย่อนแตกต่างกันตั้งแต่ศีลธรรมะสมาธิปัญญามันต่างกันตลอดถามว่าแก้ไขได้ไหมมันแก้ไม่ได้หรอกคนมาเกิดใหม่ทุกวันเพราะมนเป็นสนามฝึก เพ่จะต่อสู้กับความคิดตัวเองแพ้ก็คัดออกไปก็ไม่เป็ว่าอะไรแต่เราก็ไม่ได้คัดออกจากทะเบียนของความเป็นพุทธเพียงแต่ว่าออกจากการเป็นภิกษุออกไปเป็นบวชโสดไว้เป็นอะไรก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ด้วยที่เราต้องรับผิดชอบในกรรมของแต่ละคนต้นราคาเนี่ยความกําหนัด ราคาจะลืมมาเน้นไปทางเพศนะเน้นไปทางเพศถ้าโลภะเน้นไปในทางผลประโยชน์ทั้งหลายคือก็ที่จริงตัวเหยื่อเนี่ยมันจะอันเดียวกันเราเห็นว่าความต้องการทางเพศก็คือปนปลือตัวเองในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าใคร่น่าปรารถนาะหน้าพอใจอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เนี่ยว่า พระองค์ไม่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภะอันใดที่เกิดขึ้นแล้วครอบงาจิตใจของบุรุษได้ถ้านก็รูปเสียงกลิ่นรสพุทธภะของสตรีเพศในขณะเดียวกันพระองค์ก็ไม่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภะอันใดที่เกิดขึ้นแล้วครอบงาใจสตรีเพศได้ยิ่งไปกว่ารูปเสียงกลิ่นรสพุทธภะของบุรุษเพรปะมัจนจะเน้นที่การสัมผัสแต่ว่าไอ้ตัวความโลภที่ลวกก่วงกวัตถุเนี่ย เพราะโลกมันก็คือรูปเสียงอินทรพุทธภาธรมามันก็เน้นที่การใช้สอยบริโภคใช้สอยเป็นหลักเพรา ะ, ะนั้นคำถามของเทวดาที่ถามว่าอะไรหนอเรียกว่าทางผิดอะไรหนอเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลายผู้เย้าก็แยกนะฮะ คือราคะเป็นทางผิดและความโลภเนี่ยเป็นอันตรายการทำทั้งหลายโลภโอธรรมนังปรีปันโทความโลภเป็นอันตรายทุกเรื่องอะไรความโลภเข้าไปใส่แล้วก็ยุ่งทุกเรื่องเรวแก้ไขา ย, ยากเมื่อวันก่อนออพระใหม่ก็คงจะมีอะไรก็จริงๆไม่ได้ไปสอนฮะเดินไปสอนเด็ก เจอกันริมทางเธอเธอก็อบอกว่าไอาการที่กล่าวหาใครเรื่องเสียภาษีเต็มหรือไม่เต็มเนี่ยก็ถามว่าแล้วคนอื่นเนี่เสียเต็มหรือเปล่าแล้วก็ต้องการจะเสียเต็มไหมแต่ในชีวิตจริงเนี่เสียเต็มไหมเพื่อนแกก็มองว่าบางคนส่วนใหญ่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าธรรมชาติของมนุษย์มันเพ่งโทษคนอื่นโทษคนอื่นเห็นได้ง่ายโทษคนตันเห็นได้ยาก แล้วพอทรายมาตรฐานเดียวกันไม่สามารถจะผิดก็ได้ก็ยกมาตรฐานขึ้นไปอีกมาตรฐานหนึ่งซึ่งก็ไม่เป็นธรรมแต่โลกก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงหรอกเพราะพระเนถ้าเรามองว่าพระคือลูกชาวบ้านเนี่ยคนในเขาวัดฟังธรรมจำศีลอยู่เขาไม่เดือดร้อนอะไรอะ่ะอย่างบาสก์บจิกาวัดบวรเนี่ยก็มีข่าวอะไรเข้ามาเยอะแต่คนนี้ยังเต็มโบสถอยู่ เขาไม่ได้เดือด ร, ร้อนแล้วเขาไม่เคยเอามาพูดเขาไม่เคยถามอะไรเลยแล้วทีเราแสดงความไม่ตกกังวลท่านบอกเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับท่านนรอบองทีเขาก็เตือนสิเพราะงั้นการมองปัญหาเหล่านี้เราจะเห็นว่าไอ้กิเลสราคะกับอิโลภาก็ดีเนี่ย มันมีอยู่ภายในใจมนุษย์ทุกคนนั่นแหละสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมันมีโลภะมีราคะเดีกันดังนั้นเนี่ยโปกามกินกนอนกลัวเพียงแต่ว่าเรารู้ว่ามันเป็นอันตรายก็จะต้องมีการกํากับควบคุมจิตเอาไว้อย่าให้โลภแรงเกินไปอยัยโลภจนถึงทําชั่วเพราะว่าตัวความชั่วเนี่ยมันเป็นสมบัติจริงๆติดตัว เดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำชั่วเนี่ยเป็นสมบัติของโลกคนเราอย่างไรมันกินข่าวอะทีละครั้นอนได้เท่าที่นอนนั่งได้เท่าที่ด้าง น, นั่งยืนได้เท่าที่ยืนเดินได้เท่าที่เดินในที่สุดก็ต้องชิงทุกสิ่งทุกอย่างไปเดี๋ยการตระหนักสำเนีเอาไว้ว่าราคาเป็นทางผิดความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลายนั้น เป็นเรื่องที่ควรแก่การบังหนดจดจําสํานึกสําเนียกเพราะว่าเราจะตอบสนองความโลภที่มันเกิดขึ้นได้เต็มให้อิ่มให้พอให้หยุดเนี่ยมันไม่มีทางอย่างที่พระเจ้าทรงสแสดงเนี่ยโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตัณหาเพราะการมาตัณห า, าว่าตัณาก็คือโลภะหรือความโลภ แต่ขวยคว้าปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากแข่งขันกันออถามเมื่อไรพอมันก็ไม่พอสักทีนึ่งแตก่การต่อไปก็เทวดาถามว่าอะไรหนอสิ้นไปตามคืนและวันคนนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าวัยนี่ไวัยวัยวัยยะนี่แปลว่าสิ้นไปนะสิ้นไปคือเสื่อมไปคือวัยคืออายุของคนเราแต่คนเนี่ย มันสิ้นไปตามคืนแต่วันคือตอนนี้พอพออายุมันขึ้นมาถึงเจ็ดสิบสามเนี่ยมันชักคิดนะี่ยคืออะไรก็ตามที่มันกินเวลาเรามากๆนะ เ, เ, เนี่ยไม่เอาอะยาทีไปเผาศพเนี่ยคือต้องคุ้นเคยจริงๆเราจริงจะไปเพราะว่าศพจริงๆเนี่ยมันตอนเผามันก็สีหนาทีแั่เอง แต่ว่าบางทีเนี่ยเวลาไม่ชัดเจนเนี่ยวันก่อนไปเจอคือเขาก็เป็นลูกศิษย์เนี่ยก็สั่งฝากมาให้มนไปช่วยเผาศพแม่เขาด้วยปรากฏว่าคนบอกเวลาผิดไปรออยู่ตั้งทำไปทำมานะฮะจากวรัตบอรนไปกลายนิดเดียวกว่าจะสามชั่วโมงเนี่ยเหมือนก็ไปนครราชสีมาไปเลย เพราะอะไรเพราะว่ามันเวลาที่มันผ่านไปมันเอาเราเอาชีวิตเราไปด้วยอ่ะก็อย่างที่โบราณท่านปูกเป็นปริศนาประเทศเนปาลเราจะเจอเยอะ เ, เป็นรูปคงประการเป็นยักษ์รูปยักษ์ ก, กินสัปปะสัตว์ทั้งหลายพระเจ้าทรงแสดงว่าการเวลาย่อมกินสัปปะสัตว์พร้อมด้วยตัวมันเอง เพนาั้นในขณะที่มันมาเนี่ยมันมามันมาเพื่อจะไปอ่ะมาแล้วก็ไปเลยเราปัญหาสาคัญว่าทำยังไงว่าใช้เวลาคุ้มค่าชีวิตเราจริงๆมันอยู่ที่ปัจจุบันขณะอดีตเราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเป็นบทเรียนที่เตือนใจให้ปรับปรุงในปัจจุบันอนาคตรเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันยังไม่มา เพราทีเราทำได้จริงๆก็คือปัจจุบันขณะแลแนวศีลก็ดีแนวธรรมะ ก, ก็ดีแนวสมถะวิปัสสนาก็ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าจะอยู่ที่ปัจจุบันขณะคือสัมมวลอยู่แต่ละขณะเราบัญญระวังอยู่แต่ละขณะแล้วถ้าหากว่าเรามองถึงไอ้ไวยที่มันมันเสื่อมไปมันสิ้นไปเนี่ย ในความตายมันจะแฝงอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้จะโผล่พ ร, รวดขึ้นมาเมื่อไรเราก็ไม่รู้มันเป็นการย้าเตือนให้คนครองชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะงั้นถ้าคนได้สนักในประเด็นตรงนี้ประเด็นว่าเวลามันผ่านมาผ่านไปอย่างที่พุทธเจ้าทรงสอนนะ วันคืนล่วงไปล่วงไปถามดูตัวเองซิว่าวันนี้เราทำอะไรอยู่เพราะว่าชีวิตมันมันมันเดินทางเข้าหาความตายแต่ความตายมันมากับาความเกิดเมา่ความมาเกิดปั๊บก็พร้อมจะตายปุ๊บเลยแล้ว แ, ลแกปรากฏตัวเมื่อไร่ก็ไม่รู้เพราะจริงๆมนุษย์เนี่ยมันตายอยู่ทุกขณะเ้าเรียกคณิกะมรณะคือตายอยู่ทุกขณะแล้วก็แก่อยู่ทุกขณะแล้วก็เจ็บอยู่ทุกขณะ มันเป็นสายใหญ่ที่เชื่อมโยงระหว่างชีวิตเกยกับลมหายใจเข้าออกไปผูกไว้กับลมหายใจเข้าออกพร้อมจะตายอยู่ทุกขณะมันก็ย้ำเตือนให้คนครองชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทประการต่อไปก็คือท่านบอกว่าอะไรเป็นมนติน อะไรหนอเป็นมุลทินของพรหมจรรันทร์อย่าลืมเทพบุตรถามปัญหาประโยคนี้ถ้าผู้หญิงถามก็บอกผู้ชายเป็นอันตรายของพรหมจรรันทร์พระพิสุนกของเราในอดีตเนี่ยก็ประสบอันตรายจากผู้ชายท่านเล่นแรงนะฮะ เราอ่านในวินในบิดโดกเล่มสามภิกษุณีวิพังก็ยังยังสงสัยนะฮะคนที่แสดงตนเป็นภิกษุณีไปละเนี่ยมีหลายท่านนะที่จริงคณะสงฆ์ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าคณะสงฆ์บวชให้คุณเป็นภิกษุณีไม่ได้เท่านั้นเองมันมีประเด็นนิดใหญ่แล้วเธอก็จะบังคับให้คณะสงฆ์บวชให้ คณะสงฆ์ไม่มีอำนาจไม่มีหน้าชี่ไม่มีตำแหน่งที่จะบวชให้ภิกษุณีบวชให้ผู้หญิงเป็นภิกษุณีเพราะอะไรเพราะว่าพระสงฆ์อยู่ขั้นตอนที่หลังคือเขาต้องบวชแต่ภิกษุณีสงมาก่อนผานขั้นตอนมาเยอะพระก็อยู่ตอนปลายคล้ายๆก็ประกาศรัพรองให้ตอนนั้นเอง ดังนั้นในกรณีนี้คือเทพบุตรถามก็รับสั่งว่าอิทธิมลังพรหมจริยศัสดิผู้หญิงเป็นอันตรายของพรหมจันทร์ตอนนี้ก็เคยได้ยินนะฮะได้ยินท่านสุภาพสตรีทั้งหลายท่านโจมตีเป็นทํานองคล้ายๆกับว่าผู้ชายดูหมิ่นผู้หญิงคือมันมั น, มนพูดมากเรื่องนะต้องพูดในแง่ความจริงเราไม่พยอยมไม่ยอมเผชิญหน้าความจริงกัน เพร า, าปรัญหาอากกรรมทั้งหลายเนี่ยปัญหาจากกรรมที่เกี่ยวทางเพศเนี่ยคือประชากรที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันเยอะแต่เราจะเห็นว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวทางเพศเนี่ยมันจะอยู่ในเมืองต่างจังหวัดจะมีน้อยฮะเขตพื้นที่ข้างนอกออกไปเนี่ยจะมีน้อยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีกระตุ้นราคะไม่ได้มีการแต่งตัวอะไรต่ออะไรเนี่ย ไปกระตุ้นอารมณ์เขาตัวนี้ก็หยุดไได้เองเด็กทีนี้่คนเหล่านั้นก็ส่วนใหญ่ก็รู้จักกันเป็นญาติพี่น้องการอันต ร, ออรายมาว่าก็ช่วยกันป้องกันอะไรได้เยอะต้องการเป็นอันตรายของพรหมจรรย์นในที่นี้พรอาจรรย์นในที่นี้นะฮะเน้นไปที่การรักษาศีลข้อที่สาม เป็นประการสำคัญนะเพราะว่ายัางพระเราเวลนี้เราพูดสามสอกันว่าสตีสตังสมณสักสตีก็สตังนิยุ่งไม่ได้อนะเมันเสียงแล้วก็สุดๆดนี่คือสตรีในขณะเดียวกันภิกษุณีก็คือก็คือผู้ชายก็ก็เสมอกันนะ่ มันไม่ใช่เป็นการลุมมินสตีแต่เป็นการสะท้อนธรรมชาติอารมณ์ของสัตว์โลกการกินนอนกลัวการกินนอนกลัวเราจะเห็นว่าพวกนี้เป็นกามแล้วก็เป็นนอนแล้วก็เป็นกินด้วยทั้งกามทั้งกินทั้งนอนทั้งกลัวแล้วก็อยู่อยู่ในตรงนั้นพระมรจันท์ที่จริงแล้วการปฏิบัติ สรุปแล้วคือราชูประพฤติดีพระเจ้าทรงแสดงมาตั้งสิบอย่างคือกระจายอยู่ในที่ต่างๆเนี่ยพูดง่ายๆวิถีชีวิตที่พยายามยกจิตขึ้นเหนือกิเลสทั้งหลายตั้งแต่ทานก็ดีการพฤ่ตนอ่อนน้อมถ่อมตนระบุคนทั้งหลายก็ดีช่วยเหลือควนขวายในกิจการงานที่เหมาะที่ควรอะไรอะไรเนี่ยทั้งหมดจนถึงกับมรรคพรประจันศาสนาพระมจัน มาฆาปรมจันทร์ก็คือวิถีชีวิตที่ดำเนินไปบนเส้นทางของอริมกักมีองแปดประการแล้วสรุปว่าศาสนาพรมจรันทร์ศาสนาธรรมทั้งหมดคุณกำหนดรู้ทุกข์ก็ได้ลัทสมุทัยก็ได้าทาให้แจ้งนิโรธก็ได้ก็ปฏิบัติตามมรรคก็ได้ล้วนแล้วแต่เป็นพรมจรันทร์ในข้อต่อไปท่านถามว่าอะไรไม่ใช่น้าแต่เป็นเครื่องชาระล้าง พระเจ้าทรงสแสดงว่าตา บ, บะและพรหมจันท ร, ร์้วยความนึกออกนะตอนนี้อยู่ในมงคลสูตรอ่ะคือมงคลสูตรเนี่ยที่จริงแล้วเป็นหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสแสดงรวดคือหมายความว่าช่วงหนึ่งเนี่ยเป็นทิฏฐธรรมิกถประโยชน์ช่วงที่สองเนี่ยเป็นสมราญิกถประโยชน์ช่วงที่สามเนี่ยเป็นปรมัตถประโยชน์หมายความว่าเป็นทางที่นํามนุษย์เข้าสู่พัฒนาการในชั้นต่างๆขึ้นไปเรื่อยๆ ตอนนี้มานำมาลงไว้ในหนังสือเรื่องเสริมสร้างสู่สุขสันต์เป็นหลักการบริหารองค์กรของพระพุทธศาสนาแต่ก็ชื่อมันเบาๆหน่อยแต่ว่าข้อความก็เบานะเพียงแต่ว่าสเสนอแนะคือแนวที่สอนให้คิดให้มองไม่มองอะไรเฉพาะมุมใดมุมหนึ่ง คื่ต้องการให้เป็นคู่มือของนักศึกษาเป็นใหญ่เองก็ส่วนหนึ่งเนี่ยให้เตยช่วยกันคิดองค์กรแต่ว่าแนวความรู้เนี่ยเราก็บรรยายก่อนแล้วก็ทาหนังสือให้เลยก็คิดว่าเก๋แจกทั่วไปคงคงไม่ดีอ่ะมัน ถ้าแจกเป็นพวกนักริจาการมาเอาคิดต่อคือหมายความว่าเรามองในมิติของพระุทธศาสนาเนี่ยมองในมิติของธรรมะเนี่ยคือการบริหารอะไรก็ไม่รู้นะฮะให้มีธรรมะญี่าุในใจพอแล้วเรานึกดูว่าฮีบริโอตตะปะเป็นธรรมะคุ้มครองโลกบริหารโลกอย่างได้เลยฮีบริโอตตะปะ วิชาการเราอื่นเราไปเรียนเอาสิแต่ว่าหลักใจในคุณมีฮีดีโอตปะิหรือเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกคุณมีเมตตาสิแล้วถ้าเราดูในทศพิตราชธรรมราชสังฆาจะ ก, กวัดิวัตรอะไรเนี่ยนะถนับข้อมันจะเยอะมากแต่ถ้าเราดูแลเนี่ยเราจะเห็นว่าในตรงนั้นแหละกับคนมีเมตตารุณา แล้วทั้งคนทั้งภารกิจทั้งทั้งสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยใช้ปัญญาเป็นหลักและยังอื่นจะเป็นตัวปัจจัยสนับสนุนเพราะเราเห็นว่าตบะก็คือความเพียรพยายามในการป้องกันความชั่วขจัดความชั่วแล้วก็เพิ่มพูนความดีรักษาความดี วความเพียรมันก็อยู่ในสัมมาวามะพูดไปพูดมาอย่างไงก็ตามมีด้วยสัมมาวามะแม้แต่ทํามะหากินเนี่ยทํามะหากินที่จริงก็คือสัมมาวายมะหมายความมาถ้าเราขี้เกียจเนี่ยเราก็ทําไม่ได้ล่ะเธอก็ต้องขจัดกิเลสตัวนี้ออกไปแล้วถ้าไปอยู่ในแวดวงที่คนอื่นเขาขี้เกียจแล้วถ้าเราไปมั่วสมกับเขาเนี่ยก็ไม่มีทาง นก็ดึงมือเอาไว้ไม่ให้ยอมไปทำงานเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงต้องป้องกันและต้องบาบัดในขณะเดียวกันสิ่งดีงานต่างๆเราก็สั่งสรรพัฒนาขึ้นแล้วก็ที่ทำได้แล้วก็พยายามรักษาไว้ตัวปรมาจารย์ก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างที่ว่าพูดง่ายๆโดยสรุปง่ายๆว่าการเจริญกุศลทุกระดับ สีนูโบสถก็ดีสีห้าก็ดีพรหมิหารสีก็ดีสีสิบก็ดีจนเนี้ยจนถึงอริมักจันทิวายเ พ, พราะพรหมจรรย์เนี้ยกรอบใหญ่แต่ถ้าเราแยกประเภทแล้วก็คือกุศลละธรรมส่วนที่เป็นมรรคสัตว์อ่ะทั้งหมดมันเป็นพรหมจรรย์ตอนเอกสา ร, รที่มาํามขึ้นเนี่ยเราก็ สรุปไปเห็นมาทั้งหมดก็คืออริยมรรคฮะอยงแต่ว่าเอาปริยายไหนมาเป็นบทนำเท่า น, นั้นเองผลตะบะพระมาจันบบทร์มันก็ชาระล้างฮะมันเหมือกน้ํามันมีหน้าที่ชาระล้างแล้วมันทําให้เย็นด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ไปทำชั่วทําปิดอะไรมันก็เย็นกายเย็นใจถามว่าโลกมีช่องกี่ช่องที่จิตตั้งอยู่ไม่ได้ ก็ทรงแสดงไว้ว่าโลกนี้มีช่องอยหกช่องคือที่จิตตั้งอยู่ไม่ได้เป็นประเด็นที่ที่น่าคิดนะฮะคือว่าตามปกติแล้วช่องเนี่ยจะพูดถึงอายตนะภายในตาหูจมื่นก า, ายใจคือหกพอดีไม่ที่นี้ไม่ทรงแสดงว่าช่องนี่ยช่องเนี่ยที่จิตตั้งอยู่ไม่ได้คือหนึ่งความเกียดค้าน ความเกียดคราในอ้างนั่งแฉยืนแฉนอนแฉอยู่ในที่นั่งที่ยืนที่นอนที่เดินรอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนยังเช้าอยู่เนะย็นแล้วขนกะบังจะตกแดดแดดออกจัวอะไรแต่โอ้แกอ้างได้ตลอดอะอพวกเนี้ยคือจิตมันตั้งอยู่ไม่ได้จิตไม่ตั้งมั่นอะและประการที่สองก็คือความประมาท ให้เราสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นวิธีอย่างหนึ่งที่เรืนอนุโลมอเทศนาหมายความพระพุทธเจ้านั้นมีอาเทศนาปฏิหารคือทรงรู้จิตผู้ถามแล้วก็เธอก็เป็นเทวดาจะไปถามเอาอายตนะนุนมันเป็นวิปัสสนานะฮะเป็นวิปัสสนากรรมฐานอย่างน้อยก็เป็นอินทสังวรพอจะพูดระดับอายตนะอย่างน้อยมันต้องขึ้นอินทรสังวรแล้วก็เทวดาไม่ไหวแล้วสาวสารกันนานในเต็มไม่หมด แล้ก็ให้ดูว่าความประมาทเนี่ยออท่านอธิบายไว้ว่าความประมาทเพราะนอนหลับบ้างเขาเรียกกิเลสชนิษฐาหลับใช้เวลาผ่านไปด้วยความหลับความเคร่ิบหลับแล้วก็บางทีมันเป็นกิเลสชนิษฐาไอ้พวกนี้หลับไหลหลงไหล เ, เลื่อนไหลไปตาม ก, ากระแสกิเลสกิเลสมันก็สั่งการบ่งการ อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นพวกนี้นก็ไปเขาเลยก็ความประมาทโดยปริยายเนี่ยเยอะมาเพราะว่าคําสอนสรุปรวมที่ความไม่ประมาทและความความไม่ประมาทนะคือหมายความมนุษย์เนี่ยขาดสติเป็นปกติเพราะฉะนเมื่อขาดสติเมื่อไหร่คือประมาทเมื่อนั้นนกะารมีสติเมื่อไหร่ก็คือไม่ประมาทไปนั้น สติเนี่ยเราต้องฝึกฝึกมากแล้วคนเราที่มันยุ่งยากเนี่ยพออายุมากแล้วเนี่ยสติชักจะไม่คดีคือคิดลืมมันต้องฝึกต้องฝึกคิดฝึกอ่านฝึกดูฝึกฟังนะเพื่อจะให้ เ, เรื่องนั้นมันยังอยู่กับจิตพวกนี้ก็เรียกว่าต้องทําบ่อยๆอ่านบ่อยๆฟังบ่อยๆดูบ่อยๆแต่ว่าเราก็เน้นมากไม่ได้เราเอาหลายๆเรื่องไม่ได้ เอาเฉพาะเรื่องที่จาเป็นอายุพิขึ้นเนี่ยมันมองในแง่ของพัฒนาจิตดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าพวกนี้มันเป็นสมบัติเป็นคุณภาพของจิตวิญญาณมันเป็นบุญอ่ะคือถ้ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยหมายความว่าอาวิชชามันก็จางแต่ทาให้การทําการพูดการคิดมันก็เป็นบุญสูงขึ้น และพวกนี้มันก็กลายเป็นเรียกปุญญาภิสังขารคืออภิสังขารคือบุญก็ทําให้ตัววิญญาณเนี่ยตัวเป็นส่วนที่วิญญาณเนี่ยมันมีความประณีตขึ้นก็สแสดงว่าภูมิจิตประณีตแล้วก็พบจิตที่จะไปอิบัติก็ประณีตตามไปความไม่ประมาทส่วนไอความประมาทส่วนใหญ่ก็คือเวลาเนี้ยเราเห็นชัดนะว่าประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรค คือยังนึกว่าสังคมเราในสูญเสียเวลาเรื่องไร้สราระนี่เยอะมากและพระเองก็มีเยอะนะฮะที่ที่ไม่จำเป็นอะไรอ่ะเจ้นผู้ใหญ่จะเรียนประธานแล้วก็แฮ่ไปนั่งห้อมล้อมก็เต้ไปนั่งทำอะไรคือความคิดเหล่านี้มันมันมันเสริมอัตตาตัวเองแต่ว่ามันสูญเสียเวลา เวลาควรจะมีมากกว่านั้นควรจะใช้ใช้สอยให้ได้ประโยชน์มากกว่านั้นเราก็ประมาทในวัยบ้างในชีวิตบ้างในความไม่มีโรคบ้าง่ปัญหาเหล่านี้เลยกระทับซ้อนขึ้นในชีวิตมนุษย์อะ่ะบางทีกว่าจะรู้ว่ามีโรคภยัยโรคเกิดขึ้นเยอะแล้วแล้วก็ในชีวิตในวยัย เรายัางหนุ่มยังสาวยังไม่แก่ยังไม่ตายอะไรต่อตอะไรเนี่ยเราะมาทางนั้นเนี่ยที่จริงเราก็ดูเราก็เห็นกันนะคือคนรออายุยิ่ยงมากขึ้นเนี่ยมองไปแล้วเพื่อนมันหายไปเยอะเลยคนรุ่นเรากขาเลือกกันหายไปเยอะก็แสดงว่าเราก็ใกล้แล้วเพื่อก็ไปก่อนเท่านั้นเนองก็ฟังเป็นไง จึงทรรมจากมหาจาัย์ศรีปฐุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมตรงมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี